وقال الذين استطيعوا الذين استجبوا بالمعروف اللين وقال الذين استطيعوا القرآن 57 ก็รู้ สรณะมาตาเลมราอุลอาดับว่าจักรณ์อัลลัตีอัลนักที่นักฟารุว่าจักรณ์อัลลั จะจะเ a ้าอุนอิลลามะค โอ้ oh. สุทร <ول> <ول> ิษ ق ์ลิไม่ยาชาลิไม่ยาชาลิไม่ยาชาลิไม่ยาชา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 وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ่ดิฎ ا ์บิลอห์รับบ์ว ا م ลิสลามดีนวบิมุฮัมมัดรัสูลัลลัฮฺม่ายินี أعوذبك من الك س ل و س و ء الكبري ربي أعوذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهمعافني في ب د ن ي وعافني في س م ع ي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه วَรดาเน نَفْسِهِ و َงِ ي ن َ ة จ ع َ ر ْ s s a l a m u a l a i k u m w a พี่น้องที่ร่วมนมัสยิดที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักหลายครับและพี่น้องที่ติดตามที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับฮามดุลิลลาห์พี่น้องเราต้องนึกถึงอัลลอ์ หัวใจเนี่ยต้องโยงกับ Allah, อ, อัลลอฮ์เยอะเยะไม่ว่าช่้นจะอยู่ในช่วงลําบากนะครับก็โยมอัลลอฮ์กำลังเจ็บไข้ใดป่วยนี่ต้องโยมกับ Allah, อ, อัลลอฮ์เยอะเยอะตอนรวยๆก็เหมือนกันอย่าลืมอัลลอฮ์ให้โยมกับอัลลอฮ์แล้วก็ตอนมีปัญหายุ่งๆอะไรเข้ามาเนี่ยต้องโยงกับอัลลอฮ์เวลามีปัญหาแก้ไม่ได้เนี่ยเขาห้ามท้อใจนะ พระกุณอานสั่งเอาไว้นะลายอยัสอย่าท้ออย่าหมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอ์คนที่ท้อใจแล้วก็หมดหวังน่ะคนกาเฟ่บางคนนึงก็ฆ่าตัวตายร่ยม้มเขาได้ยินไงว่าบางทีไปเจอยิงกันฆ่ากันนั้นเขาหมดหวังไม่รู้จะจะออกทางไหนของชีวิตชีวิตของคนกาเฟ่เวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะชีวิตของเขาตัน พาเอาวัตถุเอาดุนยาเอาชื่อเอาเสียงเอาเกียรติยศเอาเงินมาแก้ปัญหาดุนยานี่ม่แก้ไม่ได้เอาอะไรมาแก้หรือเปล่าไอ้อามานันฑชิซอ้ ว, วกับอีมานอามัลุนซอเละคนว่าอีมานุนสองอย่างนี้สามารถแก้ปัญหาดุนยาได้ขอบคุณอะลอ้นะครับพี่น้องที่เรามีอัลกุรอานเป็นทางนำสำหรับชีวิตเ ร, Allah, เรามีอัลลอ์เรามีอิสลามเรามีมุฮัมมัด เราเป็นเรามีนบีเป็นบุคคลตัวอย่างไม่ใช่นบีคนเดียวนบีมุ hammad ด้วยแลว้วก็นบีท่านอื่นๆ อ, อ, อีกอะ่ะร อ, ลลอแต่ละแต่ละคนแต่ละคนนี่ลองศึกษาประวัติเนี่ยเราไม่มีทางตันเลยนะมีทางออกอุปมานนะยังไงว่าไมยัตะกิลลาหียาจอาลลัฮุมักราจัใครที่ตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขามีทางออกหมดเลยมักราะจักระบบทางออกไม่ใช่ทางตัน ฉะนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยเขาไม่ฆ่าตัวตายเขามองว่าการความชีวิตที่ลําบากเป็นการทดสอบเห็นไหมเขามองคนละอย่างเป็นการทดสอบชีวิตที่สบายเป็นการทดสอบขาดเงินขาดทองเป็นการทดสอบมีคนป่วยอยู่ที่บ้านเป็นการทดสอบอลัลลอฮฺวัามองไม่นะอย่ามองว่าไอ้นี่อลัลลอฮฺแกล้งเราเอาลัลลอฮฺทำลายเราไม่ใช่ เราต้องการจะทดสอบทดสอบล้วก็จะให้รางวัลสรุปง่ายๆก็คือขณะที่เราอยู่บนโลกดุญยาบเนี้เหมือนกับเรานั่งอยู่ในห้องสอบจ <c oughs> ีอะไรอ่ะเคลื่อนไหวแต่ละแต่แต่ละข้างแต่ละข้างนี่ต้องโยงกับเราให้หมดอ่ะห้ามดุลิละขอบคุณะนะเราเลยนะเราหลับไปเมื่อคืนนี้ใช่ไหม ล้าก็ทำอะไรบ้างพอตื่นขึ้นมาเราก็เตือนกันนะหนึ่งให้กล่าวดุงอาบนที่นอนว่าไงอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮิลลาดิอาฮยานาบาดามะอามะตานาวะฮิไลนูซูรขอบคุณอัลล์ที่นอหลับไปบแค่นี้ครับแค่นอนหลับเนี่ยยังขอบคุณ อ, อัลลอฮ์เลยแล้วก็ฟาอ์อมะบินยอามะติรอบบีกาฟาฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นให ข้าสรเสริญอลัลลอ์ให้พูดให้ชมให้นึกนบีบอกว่าคนที่ดื่มน้ำเย็นๆอลัลลอ์จะถามนวันเกีย ม, มานี่ขอคุณอลัลลอฮ์หรื อ, อยังท่นซาบะนี่ที่เราอ่านกันอยู่นี่นะซาบะเนี่ยสุรสซบะเนี่ยต้องนึกนะสุรสซบะนี่ประมาณห้าร้อยกว่าปีก่อนนบีอีสาไม่กี่ปี ก่อนน บ, บีมุฮัมมัด500รอกว่าปีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยพวกซบา้านี่อยู่สบายมากเลยมีสวนใช่ไหมัเจรอสวนใช่ไมละ่ะเล็กเล็กๆเล็กๆแล้วมีต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกเดินทางทางกลางวันกลางคืนออกจากบ้านไปไหนมาไหนสะดวกแบบปัจจุบันนี้เลยน่ะจะเดินทางไปญี่ปุ่นนัง่งเครื่องบินไปผมไปภูเก็ต อยูเมื่อคืนคืนวานอยู่ภูเก็ตเอาล้ออักบัตเดินนี่ไปสองครัง้งอ่ะร้องไห้คนนั่งฟังศาสนากันเต็มไม่หมดถ้าเราุำดูเรื่อเอาล้ออักบัตเราเห็นแล้วเราก็ทึ่งนะเราทำดูเรื่อเนี่ยถามว่าทั้งหมวแล้านี่เป็นเนี้อหมัดทั้งหมดอนะ่ะถ้าเราไม่ขอบคุณเอาล้อลืมเอาล้อมาไร้นะเ อ, เอาเรื่องแต่เอาเรื่องตอนไหนด้วยไปขณะ น, นี้เอาล้อยังไม่ลงโทษนะให้ไปก่อนเอาไปเอาไปเอาไป ไปเล่นงานตอนไหนตอนวิญญาณออกจากร่างอ่ะพอจับส่โลนเรโวยแล้ ว, วอลว <laughs> ัลฮัมดุลิลลานมาดูอายะเท่าไหร่นวัยวันนี้สามสิบสามนะครับ <S <S وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر وا الليل والنهار بل مكر وا الليل والنهار إذ تمرن إذ تمرن أنكفر بالله و ن ج جعل ََ له أنداه وأسر ندامة َ لما َ رأوا الع وج العذاب وجعلنا ََ الأغلال َْ في أعناق َ الذين َ كفروا ََ هل َ يجزون ََ إلا ما كانوا يعملون ََُ الحمد لله الله أكبر أو عن يكيا ولن وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مخر الليل والنور بل مخر الليل والنور إذا تمرنا أنك في ن ักฟَรับล و ن ละَัจจะลَ د َลือَ أ َด่ ا ด้แ م َอَสรุนดามะลัมร้ ا ا ل ะจับและ أ ัَนาลอะกลาَ์ฟีอัَนาค ي ن َ ك َ ف َ ر ฟุ ฮัลโหลจะนี้าห น, น้าอิลลามะ่านูเรื่อัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺมิมีองค์อัลลอฮฺมีองค์เดียวนะต้องยืนยันตรงนี้ด้วยนะมุสลิมทุกคนทัน่วโลกต้องยืนยันว่าอัลลอมีองค์เดียวเราก็ห้ามทำชีริกนะครับ แล้วเรื่องที่สองอายานี้นะกุรานอ่าุรานเป็นคำพีเล่มสุดท้ายเล่มเดียวที่มาจากอัลลอฮ์เล่มอื่นอื่นที่มาล่วงหน้าเนี่ยนะอัลลอฮ์สั่งให้พวกบาทหลวงของคริสเตียนของยะฮูดีเนี่ยอิสตัฟรูฮาขอร้องนะให้ดูแลหน่อยไม่มีใครดูแลสักคนเนี่ย ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนจากนั้นคำพีเล่มสุดท้ายคือคือคำพีกุางอานอลรถวาฉันรักษาเอกไม่่าใจมนุษย์แล้วก็อัานี้อีกพูดถึงเรื่องอัลฮัจรการรวมตัวกันที่ทุ่มมากชัดี่เรื่องข้างหน้าหมดเลยนะเรื่องนึกเองในสมองไม่ได้ด้วยนึกภาพไม่ออกไม่รู้มปยังไงอ่ะหลังจกฟื้นนะ ผมไปถามพี่น้องชาวภูเก็ตว่าตายกี่ครั้งทุกคนตอบ่าคงเดียวหมดฟื้นกี่ครั้งก่อครั้งเดียวอาที่ถูกตายกี่ครั้งตายสองครั้งเกิดสองครั้งพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยยังยังยังเชื่อแบบคนคาฟเฟ่ดูนะตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวมือใครยาวสาวได้สาวอ่างไม่ใช่เองต้องสาวอีวานกับสาวสาวอามันโซแล้วไม่ไม่จะสาวอย่างอื่น Akbar, อัลลอฮฺอัลกุบะดูล ดูดูสับนะว่าคลทีน่าจะได้ฟูบันดาไม่ใช่บันดาผู้ที่ถูกถือว่าอ่อนแอนี่มาจึงลูกนอ้องเพราะว่ามันมีสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มเจ้านายแล้วก็กลุ่มลูกน้องกลุ่มเจ้านายเนี่ยกลัวอะไร่างไงนะอิสตักบาลูกุมอวดี เวลามีเงินมีหน้าที่มีตำแหน่งงานแล้วก็ไม่นึกถึงอัลลอ์เนี่ยนี่ก็ต้องการจะเล่าอะ่ะคนกาเฟตเป็นอย่างนี้แหละเวลามีเงินไม่ได้พองกลางมีตำแหน่งไม่ได้ดูถูกลูกน้องเหยียดหยามลูกน้องตะวาดลูกน้องด่าลูกน้องด่าก็ททำไมอะ่ะฉะนั้นคนที่มีตำแหน่งสูงสูงในโลกใบนี้เนี่ยนะพร้อมกับมีเงินเนี่ยเวลามองลูกน้องให้มองอย่างนี้หนึ่ง นี่อัลลอฮ์ส่งมาต้องมองอย่างนี้เลยอัลลอฮ์ Allah ส่งมาเรื่องที่สองนี่เป็นบาวอัลลอฮ์เรื่องที่สามเขามาช่วยงานเราต้องคิดอาหารเขากินอาหารปล่าเสื้อผ้อาจะก็ใส่อ่ะต้องดูแลเขาด้วยแล้วก็อย่าตวาดเขานะ <c oughs> คุณเป็นแค่เจ้านายก็มีเงินเนี่ยตวายเขาเลยเหรอ แล้วก็เวลามอบงานให้เขาทำนี่นะถ้าหาว่างานนั้นมันหนักต้องลงไปช่วยเขานี่เห็นอย่างอิสลามเนี่ยผานบีมุฮัมมัดเนี่ยอยู่กับคนอยังอยู่แบบนี้อย่าอยู่แบบกลางอย่าอยู่แบบเยแบบอะ ย, ยิงจองของอวดดีฉะนั้นอัลลอห์เลยาช้ภาษาไงนะอิสตักบารูคนที่เป็นหัวหน้าคนนั้นเป็นคนที่อวดโตอวดดีอวดใหญ่ชมฤดา ชมด้วยดาดาถ้าทำให้อ่านอ่านกูอ่านไม่ใช่ปัญญาเออไม่ใช่นี่ยเราใช้ให้เราใช้ปัญญาแล้วก็มองลูกน้องเป็นไงครับอิสตูดอฟูอัลลอักบะดวคลลาีนัสตูดอฟูลูกน้องเนี่ยอันนี้ภาพในวันกียมานะที่ไปดากันเอง ไปต่อว่ากันเองไปสาบแช่งกันเองที่ไหนที่ทุ่งม้าชาตินูน่นนี่อัลละฮ์เล่าให้ฟังล่าให้นบีฟังนบีสอนสว่านะเนี่ยคนกาเฟตไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอ า, Allah, เอารสูลไม่เชื่อวัวนเกียร์มามีจริงไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องฟืน้นวันนั้นพอเจอจริงๆเข้าไป็นไงก็เริ่ม ด, าด่ากันสิลูกน้องที่อยู่บนดุนยานี่ถูกอาจจากเจ้านายวันนั้นใครอัดใครลูกน้องอัด อ, อ, อัตวน่าอัตวน่าอัตว่าไงครับลิลลีนัสตะคือ baru แกบันดาผู้ที่เป็นผูท้ที่อวดโตอัลลอฮฺอักุบะดอ่ะลอายาที่แล้วน่ะอัดกันเองใช่ไหมว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าไงนะเออคุณนี่แหละห้ามฉันไม่ให้นู่นไม่ให้นี้ใช่ไหม ก็หัวหน้าฉไม่เคยันไม่เคยห้ามบุคุณน่ะเห็น ไ, ไหมด่ากันเองลานัดกันเองเอาต่อมาครับบาลมัครุลไลลิวันฮะมัครุลแปลว่าแผนการนะมักรุนคำเดียวแปลอะไรนะแผนการหรือวางแผนเนี่ยโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะอลัลลอ์ก็วางแผนนะแล้วคนกาเฟ คนยาฮูดีนอสรลนีก็วางแผนนะเขาวางแผนทําลายอยานั้นทลายอิสลามอย่างอื่นเขาไม่ทําลายทำลายทาลายมุสลิมทําลายผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาวางแผนแล้วก็แล้วก็ทําลายให้โลกเนี่วางแผนจะทําสงครามนี่คุณ้างครั้งที่สามจำท่าจะมาแล้วนะแต่อัลลอฮ์เล่าในะกรุรอานในชั้นนี้ น, น, นะระงับไม่ให้มีเรื่องสงครามเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ครั้งถัวกี่ครั้งแล้ว ไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไปอยู่สองฝ่ายทะเลาะ ก, กันเอากลุ่มที่สามมาระ ง, งับแทนเอาลอเห็นยังครับในทางคุรุอ่านเตือนฉะนั้นเราต้องนึกเดี๋ยวต้องมีมือที่สามเข้ามาระ ง, งับหนะึ่งชั่วละนะครับยังสงขาวนะ่ะถ้าปล่อยให้มนุษย์บริหารกันเองนะถ้าล่อมไม่วางแผนเหนือแผนนี่นะโอ้โหโลกใบนี้หมดอายุไปหน้าแล้ว ระเบิดเนี่ยครีมีกระทุ้ประเทศใชอะมากที่ปากีก็มีอิหร่านก็มีอินนันก็มีมีก็มีอัลลอฮฺฮวกบัดมันระเบิดเมื่อไรก็จบแต่เมื่อไรที่ Allah อัลลอฮฺยังระ ง, งับไว้ระ ง, งับไว้ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาห์วัดอะไรบาลมักรุลไลลิวนะฮ์ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกอเราแผนการของพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืน อธิบายยังไงเขาวางแผนทำลายอิสลามทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังอ่ะฉะนั้นมนุษย์ที่ไม่ที่ไม่อิมานต่ออัลละ์ที่ไม่ใชนมุสลิมเนี่ยจะมีคุณคนบางกลุ่มเนี่ยวางแผนทำลายอิสลามทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นยังฉะนั้นโยงกับอลัลละ์ไว้เราโยงกับอลัลลอ์ในเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งวางแผนทาลาย อิสลามทำลายอัลลอฮ์ทำลายรอซูนทำลายคุรอานแล้วก็พูดให้คนเนี่ยไม่ศรัทธาว่าตายแล้วฟื้นนี่นะเขาวางแผนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมาดูซุนานะนบีกลางวันกลางคืนทํำอะไรกลางวันถือบวชกลางคืนทำอะไรเดี๋ยวขึ้นทมาแต่หายุดต่างกันไหมชีวิตชีวิตพวกเราอัลฮัมดุลิลละ พ่าตีสี่ตีสามลูกขึ้นแล้วกลางคืนนมาตะฮัดหยุดขอทูอ้าดอละร้องให้ขออ้าให้ให้ลูกให้ตัวเองให้ญาติพี่น้องร้องให้เพราะซ้ อ, อ บ, บ, บ้านนบีน บ, บีก็ร้องให้ตอนกลางคืนแต่พวกเขาเนี่ยนอนกันทั้งคืนแล้วก็วางแผนจะทําทไงจะทํ า, ท ล, าทลายนู่นทําลายนี่จะไปมัต่งางไหมชีวิตต่างกันไหมต่างกันเยอะเยอะเลยนี่อลอลละไว้ฟัง พวกเขาทั้งหลายนั้นวางแผนมักรุไลลิวันนาฮะทำลายอิสลามทั้งกลางวันและกลางคืนต่อมาครับอิสตะมูรูนานเมื่อพวกท่านเนี่ยสั่งอามรอยะมูรูแปลว่าสั่งให้พวกเรานี่ปฏิเสธเห็นมังนี่คนนะนะคนเป็นลูกน้อง ไปแฉพวกหัวหน้านี่สั่งให้เราเนี่ยอนนักฟ ah ูรบิลพูดให้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไปยัง <c oughs> ไปเล่าให้ไปด่ากันเองเดี๋ยวทวงมาชัดอ่าพวกเองนี่แหละพวกเจา้านาจทั้งหมดที่วางตัวกลางกลงเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยนะบอกคนบอกประชาชนให้ปฏิเสธอัลลอฮ์พระเจ้าไม่มี อย่งฟาโรประกาศยังไงใช่ไหมฉันคือพระเจ้าใช่หรือเปล่าคนที่หวีผมลูกสาว ฟ, า, ฟาโรเป็นมุสลิมไหมลูกสาว ฟ, า, ฟาโรยังยังอิมานต่อพ่อนื่องาพ่อยังเป็นพระเจ้าอยู่คือตอนหวีตกน่ะอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ลูกสาวไปฟ้องพ่อพ่อพ่อคนที่หวีผมให้หนูน่ะเขาไปเชื่อมูซาเชื่ออัลลอฮ์แล้ว อ, อฟาโรมากรังเลย เองปฏิเสธฉันแล้วจนะ้ะไม่เชื่อฉันนะ่ะเป็นพระเจ้าจนะ้ะคนจะไม่เชื่อเชื่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาวันนั้นฆนะ่ากี่คนอ่ะสามสี่คนนะอ่ะอมน้ํามันดือดเดือโยนทีละคนละคนละคนละเกนเห็นยังครับนี่ต้องการจะเล่าใะไฟังว่าคนกาเฟ่วันนี้ที่แอนตี้อิสลามีไม่มีทางกลางวันและกลางคืนขณะที่ผู้ศรัทธาต่อรอกลางคืนลุกขึ้นลมาตัดหัตยุตกลางวันถือสินอด อัลลอฮฺอักบัน ล, ละเชิญชวนคนให้ทำความดีชีวิตต่างกันไหมโอ<ฮ>้ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นตะมูรูนนะาข่าวพวกเขาฉะนั้นนะครับสั่งให้เรานี่นะ่ะนักฟูรปฏิเสธอัลลอฮฺวันนะจ๊ะลาเลห์อันดอดและพวกเขาแล้วก็ตั้งให้มีสิ่งคู่แข่งกับอัลลอฮฺ อาพระเจ้าอื่นขึ้นมาแข่งกับอัลลอฮ์สุบฮานาหวูวะตาลาเขาพูดกันเขาคุยกันในที่ประชุมเอาฟาโรหกรณีฟาโรชัดเจนดีใช่ไหมนะคนอื่นเราไปแตะแตะไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างนี้เป็ตนต้นเอาต่อมาครับที่ภาพในอาคริระอนนะภาพอยู่จุงมาชัดนะต่อมาครับแล้วทะเลาะกันแล้วแล้วเถียงกันแล้วต่อไปอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าอสซาลูนนาดามะ อาซาโระแปว่าเขาซ่อนหรือเขาเก็บอยู่ในใจเขาซ่อนหรือเขาเก็บอยู่ในใจเก็บอะไรหรือเปล่าอานาดามความหมองความเศร้าหมองความเสียใจเนี่ยรอดเล่าให้ฟังนะวันนั้นคนกาเฟตทั้งหมดจะเป็นลุงน้องหรือเจ้านายก็ตามเมื่อรู้แล้วว่า เรานี่ไปไม่รอดแน่เพราะคุณอ่านเป็นเรื่องจริงอลัลลอ์มีจริงวันเกียร์มมีจริงสุนนะนบีคุ้มครองชีวิตได้อีหมานคุ้มครองได้แพ้ั้งสองกลุ่มนั่นแหละอัสารุนนาดามาเขาเก็บความปวดร้าวความเศร้าหมองความเสียใจแล้วยืนยวนเงี้นะแล้วเก็บเอาไว้นะเก็บความรู้สึกไว้ทั้งสองกลุ่มนั่นแหละ กลุ่มที่กลังบนดุญยากับลุงน้องดุลยาที่ถูกกดขี่นะวันนั้นเก็บความรู้สึกอ๋อกลุ่ไม่รอดเลยแอย่างครับอารรุนนาด้มาซ่อนความเศร้าวความเสียใจความบ่นมองเอาไว้ในใจตัวเองเหมือนดุโลโรคดุลยาไปนี้ชีวิตคล้ายๆกันแต่ดุญยาเนี่ยเาให้เงินให้เงินลออ่อ่ง ให้เงินล่อให้ตำแหน่งล่อให้ชื่อเสียงล่อให้ตำแหน่งล่อจนกระทั่งลืมเอาล้อนะเอาล้ออักบัรปว่าไปวันนั้นเป็นไงครับอัสซารุนนาดามเก็บความอายเก็บความเสียใจเก็บความหมุนหมองเอาไวนะ้นใจตัวเองนี่เอาล้อเล่าให้ฟังแล้วต่อมาครับเสียใจตอนไหนครับลามมาอาวุลอซาเมื่อเขาเห็นการลงโทษ เห็นยานนาถูกลากมาเนี่ยโอโลตาจริงนรกมีจริงเห้ยโอะรออักวัต น, นิรันดรไป้เก็บความรู้สึกไว้ไสแสดงมากกะอายพวกร์อยู่บนตุนยาเนี่ยมันจะไม่ได้ไอายใครเลยไงไม่ได้ไอายอัลลอฮ์ท่านเราต้องโยงกับอัลลอฮ์เอาไว้ให้ดีนะเวลามีปัญหาเดือดร้อยงอัลลอฮ์ไว้อัลลอฮ์จะช่วยหน่อยอัลลอฮ์จะช่วยหน่อยอต่อมาครับ ในตัวเราว่าเห็นเห็นเห็นอาสาบนะที่น้องเรื่องอาสาบอาสาบในในทุ่งมาชาร์ทนี่มีจริงอ่ะแค่เห็นคนอื่นอ่ยบางคนเหงื่อถึงตาตุ่มมีบางคนเหงื่อถึงถึงหัวเขา่าเห็นคนอื่นเราก็ภาวะแล้วนะอีกคนหนึงอยู่ถึงเอวอีกคนหนึ่งถึงหน้าอกอีกคนหนึ่งถึงคอถึงปากเราเห็นเห็นภาพเนี่ยอร่อยแล้วเราจะรอดแล้วเนี่ยเรากับเลววะพอกับมันนล่ละ ลา ม, มารออาวุลอาจะนี่ผมนั่งอ่านเมื่อคืนนี่นะซีรอสสะพานสะพานอยู่นะเมือ่ออยู่ที่ที่ไหนทุกชาตินะสะพานข้ามเข้าสวรรค์ผมอ่านเมื่อคืนนี่อา่อานอ่นเล่าให้ฟังสดนิดหน่อยนะพอเดินข้ามสวรรค์ข้ามข้ามข้ามสะพานเนี่ยมันมีสองอย่างที่อยู่ซ้ายกับขวารอเอาอยู่ อามานะกับราหิมรหิมหมายถึงเครือญาติอยู่ซ้ายก็ขวาดักอยู่ถ้าเราอยู่บนดุนยาบบนี้เรารับปากปรใครไว้อามานะที่อลัลลอสั่งอะ่ะทำนี่ทำนี่ทำนี่ทานี่เอ็งทำยังจับยายาพงเข้ายืนก่อนกับญาติพี่นอ้องทะเลาะกันว่ายังไม่ได้คืนดีกัน ถ้ามีสองคดีนี่ น, นะนะมุดสิ้นเข้าสวรรค์น่ะตั็งเขใช้นี่เขาก่อนนะ่ะหอัลอามานะสองอัลลอฮ์ให้มการเป็นเครือญาติกันเพราะอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งเยอะมาอย่าทะเลาะ ก, กับเครือญาตินะอัลมาณาที่อัลลอฮ์สั่งให้ทำเนี่ยปฏิรับปากรับคำเขาไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยทำหรือ ย, อยังอัล ม, มาณากับอะไรนะ กับการเป็นเครือญาติกันอยู่ทั้งขวาและซ้ายของสะพานครับถ้าเราอมนณนะเราดีบนดุญยานี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ญาติพี่น้องกับเราอัลฮัมมดอนแล้วผ่านผ่านผ่านเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เสวร น, ว น, นี่ถ้ามีสองอย่างนี้ค้างอยู่ยังไม่แก้นะตอนนี้รีบแก้ได้ไหมได้อะไอยังเปิดโอกาสอยู่นะอย่าไปดันทุรังเรื่องอายไม่มีครับเรื่องเรื่องอะไรเสียหนะ้าไม่มี แกจะแก้ปัญหาเข้าไปอะไรที่มันผิดๆแต่แก้ซะแก้ซะะต่อมาครับเสียใจเก็บความรู้สึกเศร้าหมองในใจยังไม่พอวาญนัลอากรลาลฟีอาก็อัลลออักบัดและอัลลอ์ได้ทำอีกอากลาแปลว่าเราได้ทำให้ ที่คอของเขานี่มีอะไรนะมีโซ่ในคนในคุกเนี่ยเอาไว้ที่ขาใช่ไหมใช่ไหมที่เราเห็นภาพมันนะเอาไว้ที่ขาแต่ในวันกิยามะเอาไว้ที่ไหนคอคิดดูสิเฮ้ยมันต่างกันเยอะนะนี่ดีไม่รัฐบาลไทยไม่ไม่เอาคุณอ่านไปใช่เน่ะเอาคุณอ่านไปใช้ใส่คอเอกยุ่งอ่ะไม่แน่ที่พูดไปอาจจะเปลี่ยนก็ได้เนี่ยเพิ่มใหม่ เขาตบวงอเมริกาอเมริกาทำงานเขเดินทางอเมริกากันอยู่นะครับว่ลาะเอาอะไรอากระลและเราได้ทําให้ที่คอของเขาอาณาแปลว่าคอนะอกลากระลแปลว่าเออข้องคอของเขาด้วยเหล็กขงคอของเขาด้วยของหนักหนักทึกอยู่ในใจไม่พอเจอโซ่อยู่ในคออีก หนักหรือเบาหนักมากครับท่านต้องนึกภาพนั้นอยู่บนดุนยาใจต้องนึกโอ้เนีย่ยทงมาชาัดนี่เจอคดีเยอะแล้วก็มีปัญหาเต็มหมดเลยเอาต่อมาครับอยู่ในคอของใครอัลลอฮฺน่ากาฟารูอันนี้ชัดเจนนะคอของผู้ที่ปฏิเสธอัลลอปฏิเสธอัลลอปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนัขท่านนาบี ปฏิเสธว่าไม่มีวันเกียรมะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นอยู่ที่คอเสียใจก็เสียใจด่ากันเองก็ด่ากันเองละนัดกันเองไม่พอเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่พอโซ่อยู่ที่คออีกเอาในตับเสียอธิบายนะที่ข้อมือก็มีที่คอก็มีที่ขาก็มีบางที่มือกับคอติดกันเลยนีบางบางบางฮะดิษอธิบายอย่างนไง ตัวลงก็มีหมดเลยมีฉนไหนบ้างคอก่อนสองมือสามขาไม่หมดานาวอุศบิลลาพี่ปลองครับอิมานต่อรอเธออามันคือซอแร้อย่างเดียวช่วยได้อย่างอื่นช่วยไม่ได้ไปลองเอาต่อมาครับฮัลยุจเจ้าเนอิลลามากานูยะมลูยุจเจาเนี่ยแปลว่าตอบแทน ยุแปลว่าพวกเขาที่ถูกทำอย่างนี้เนี่ยเนื่องมาจากผลงานที่ผู้คุณทำเอาไว้ตอนอยู่บนโลกดุนยาทำอะไรผิดผิดไว้ตังเยอะแยะยังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวไม่ยอมตบะบ้าตัวไม่ยอมสรารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมหันกลับมาเรียนรู้เรื่องอิสลามก่อนตายถึงถูกตูรมตนแบบนี้ คุณเนี่ยไม่มีรางวัลอะไรตอบแทนรอกที่เป็นอย่างนี้เพราะคุณนั่นทําอะไรไหวบนโลกดุลยาก่อนตายถึงแล้วว่โลกดุลยาไปนี้โลกแห่งการตาบ้าตัวใช่หรือไม่ใช่รอตาบ้าในในในกูโบได้ไหม <c oughs> ต้องตาบ้าตัวก่อนตายสารภาพผิดก่อนตายเรื่องใหญ่นะจะข้ามสภาพมอนเกี้เนี่ยอะไรรออยู่อามานะกับกับอะไร กับเครือญาติอ่ะเพราะสองอยู่น่ะจะนั่งยาทะเลาะ ก, กับเครือญาติทะเลาะได้รียบรีบร์บนะรีบคืนคืนคืนคื น, คนแล้วเอมานะ่รับบาใครไว้นะ่ะทำไมหมดนะเอมานะมีอะไรบ้างอายกตัวอย่างเรื่องเงินทองเงินทองทองเนี่ยอมานัาหมดเลยนะไปะชักดาบใครไว้นะ่ะคืนยังอะ่ะมาดวงบาาดวงเป็นอะไรนะเป็นผู้อะไรนะผู้รับมาลาดวงใครกัอะไรนะ ผู้จกรรระดกไปดองระดกเขาว่าแล้วก็ถามอ้าอ ม, มาน่าฉันอยู่นี่ ท, ทําไงแทนที่จะไปสวรรค์มีขออีกอ่ามีขออีกนะขอจากนรกเนี่ยเกย ล, ลื่องผลผลอ๋อจะเข้าอยู่แล้วน่ะอ๋อพระบัตรมีขอเกี่ยวอีกเพราะญาติพี่น้องกับอ ม, มานะสองอย่างนั้นแทนทั้งอยู่บนต้องสะอาดนะสะอาดจริงๆแล้วค่อยตายนะ ทมดูลิลล้วต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่34ว่ามาอัลสลนาฟีกรเยตินมินนาซีรอิลล่ากาลมุทรฟูฮา อِนนบิม่าอุรซิลตุมบิฮ ك ก اف ิรุนอัลลอฮุอะลลอฮฺลิฮัมดَุิ أ َาฮฺวมะอุรซลนาฟิกาเรียต aziir إلّا قَالَ مُتَرَفُوهَا อินนบิมาอุรซริลตุมบิฮิกาฟิรุนอัลฮัมดุลิลละเปลี่ยนเรื่องใหม่เปลี่ยนเรื่องใหม่เป็นการปลอบใจนบีด้วยเพราะนบีถูกถูกต่อต้านใช่ไหมเอาเอาเคสที่ตออิฟกันแล้วกันเคสเดียวพอนะไปเมืองตออิฟถูกอะไรถูกสามเรื่องนะถูกไล่ ถูกดาถูกคว้าอายะนี้ต้องการจะเล่าให้น บ, บีฟังคนที่ขวางอิสลามเนี่ยทุกยุคทุกสมัยแล้วคนที่ขวางอิสลามเนี่ยนะทำลายอิสลามทําลายคนดีๆเนี่ยคนรวยทั้งหมดไม่ใช่คนจนอัโหโหโหอนลลอฮฺเห็นอย่างกับคนรุมคนมีอันจะกินหมดเลย คนมีฐานะการเงินดีมีตำแหน่งดีทั้งหมดไอ้คนรวยมีตำแหน่งสูงๆถ้าไม่ทำลายอิสลามนะเขาปลอดภัยนะเอาดูครับว่ามาอารซลนาะเราไม่ได้ส่งฟีกริยาตินเมืองหนึ่งเมืองใดยังเมืองหนึ่งเมืองใดทั่วโลกอา่า สมัยก่อนนะด้วยนะสมัยนบนีนัว น, นบนีอาดัมนบนีอิบรอฮิมนบีมูซาอิซายูซุฟอิลยานนึกให้หมดเรามาจะส่งนะครับนาซีรุ่นแปลว่าผู้ตักเตือนมาถึงบรรดานับดุลวะมาอัลซัลนาฟีกอริยติมินนาซีรินเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนหรือบรรดานับี นะครับมาเตือนเขายังเมืองดังเมืองหนึ่งเมืองใดให้มาสอนอิสลามโดยราบรื่นครับอธิบายนะไม่จะส่งนบีมาสอนอิสลามอยู่เมืองหนึ่งเมืองใดแบบราบรื่นไม่มีเอาเห็นยังคนทํางานศาสนามุสลิมอยู่บน ญ, ญานี้ยลงบากไหมลาบากครับเดี๋ยวขามาแล้วต้องการจะตรวจสุราหมด 4 0 0พันกว่าแห่งทั่วประเทศทำประชาวิจาร์หรือเปล่ า, าข่าวมาแล้ว เ, เราก็เครียดอยางล้อชวนห้เธออยู่ด้วยความระแวงอยู่ด้วยความกลัวนี่เล่าให้นบีฟังเหนยังมุฮัมมัดเอ้ยนบีที่มาก่อนหน้าท่านคนทำงานศาสนาไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่แบบลาบรลยต่อมาครับอิลลากอลู นอกจากอินลาไปวันนอกจากก็ละพูดมุทรฟูฮาพวกเจ้าสำราญพวกที่เต็มไปด้วยอยู่แบบมีความสุขมีอาหารกินวันละหลายๆมือมีผู้หญิงนอนกอดมาตรงนี้ก้าด้วยก็ได้มีเบียรมีของชายทุกชนิดบนดุนยานี้เฟอร์นิเจอร์นี่เต็มหมดเลย คนประเภทนี้นะเป็นคนคิดที่ทำลายอิสลามยิ่งอ่านไปเจอหนักขึ้นนันแ่าังเนี่ยลอเล่นนบีฟังแต่เรื่องนี้ความรู้นีงนบีอยู่ในสมองเต็มหมดเลยอัลลอฮ์ใช่ว่ามาอารซัลนาฟีกอรีติมินนะดีและเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนมาสอนอิสลาม คนใดไปอยู่เมืองหนึ่งเมืองใดก็ตามของโลกใบนี้อิลลากอละมุทรฟูฮนอกจากพวกเจ้าสําราญที่มีอิทธิพลและมั่งคัง่งเป็นไงครับของเมืองนั้นๆกล่าวต่อท่านอิสลามทุกทุกประเทศเ <laughs> <laughs> ห็นไหมหลาบเรือนไหมนี่เตือนให้รู้นะมุสลิมอีมานต่ออัลลอฮ ไม่ราบรื่นครับชีวิตมีแต่ความนีม่แผ่นดินไหวเอ้ถ้าเกิดที่ที่เรานี่เราตายกับกับตัวอย่างต้องนึกหมดเลย อ, ะอ่ะมีระเบิดกันที่ น, นั่นอ๋อเราทำอย่าลีลาสุดุติดีกว่าอยา่ารอฉันถือมัดก่อนดีกว่าทำอย่าลีลาต้องนึกตลอดเวลาพอวันศุกร์มาตัวนึกวันเกียย ม, มาจะไม่เกิดขึ้นนอกจากวันสึกต้องนึกแล้วเพราะนี่สุบะเพิ่ผ่านมาเดี๋ยวอะไรดูฮะต้องนึก พอนอนกลางคืนเฮ้ยคนนีน้น่ะมาตาฮัตยุดอยู่กับเมื่อกี้นตีสามตีสต้องนึกตลอดนะ่ะแต่คนชาสํารานึกไหมมันก็ไม่นึกอนะ่ะมันได้กลัวชาวบูนี้จะกินอาหารเชาวที่ญี่ปุ่นดีจะกินญี่ <c oughs> ปุ่นดีก็ปล่อยให้เขาทำไปเงานของเกาแต่งานของเราเดินตามซูนน่านาะบีทุกขั้นตอนคิดแบบนะบีปฏิบัติตามนาะบีห้ามโดยลิลแล้วครับนี่อรรอล่ามไปฟังนะมุทรอฟูฮาพวกที่มีความสุขทั้งหลาย เจ้าสำราญทั้งหลายคนที่มีอิทธิพลและมั่งคั่งทั้งหลายนั้นจะทำลายอิสลามทำลายมากน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ของเขาต่อมาครับอินนบิมาอุรซิลตุมบิฮิกาฟิรุนอินแปลว่าแท้ จ, จริง แท้จริงผู้ปฏิเสธกาฟิรูนผู้ปฏิเสธนั้นสูเจา้าอยู่ที่ไหนนะรบบนแท้จริงอินนาบิมาอุซิลตุมบิฮิกาฟิรูน มองมองมองไม่เห็นแท้จริงเราปฏิเสธเรื่องคำสอนตามที่สูตเจ้าได้ถูกส่งมาตามที่ได้รับหน้าที่ให้มาสอนคือพวกปฏิเสธมีหน้าที่อย่างเดียวนะนะปฏิเสธอิสลามเราไม่ได้ส่งพวกเขามานะครับนอกจากคนปฏิเสธนั่นจะ จะต่อต้านอิสลามจะปฏิเสธอิสลามชีวิตราบรื่นไหมคนสอนไม่ราบรื่นถูกต่อต้านถูกต่อต้านนี่คือหน้าที่ของบรรดา น, นาบับีไม่มีใครสอนศาสนาแบบราบรื่นสักคนทางนั้นดาว่าเนี่ยราบรื่นไหมไม่ราบรื่นครับคนนั้นดาคนนี้ด่ต้องอดทนหมดเลยยิ่งเงินไม่มีเอกอัลลอฮฺฮุอัลบัลตอย่างนี้เป็นต้นนะครับตนลงว่า คนกาเฟสเนี่ยนะต่อต้านอิสลามต่อต้านเตาฮิตต่อต้านนบีมุฮัมมัดต่อต้านกุรานต่อต้านวันวันอะไรนะวันการฟื้นคืนชีพแล้วก็ไม่ศรัทธาว่าจะมีวันอะไรนะทุ่งมัชชัดไม่ศรัทธาว่าฟื้นขึ้นมาแล้วต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ต่อต้านเรื่องการคิดบัญชีเรื่องตาช่างเรื่องแจกสมุดเรื่องสะพาน โอ้ของที่นบีสอนมันต้านหมดแล้วของที่นบีสอนแต่ละเรื่องนี่นะคนคาเฟ่ต์มันรับไม่ไหวอ่ะมุสลิมยังแย่เลยนะเวลาถูกรังแกให้ให้อภัยเห็นยังยิ่งบริจาคยิ่งรวยมันเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะยิ่งบริจาคเนี่ยยิ่งรวยนี่นบีพูดเอาล้อพูดนะล้ออักบัตถูกดามาให้ทําไงให้ให้อภัยมีโซอาบ้าอยู่กลุ่มหนึ่งอี่ไล่ฟังเลยนะ วันที่นบีอพยพยจากนกครมะ ก, กาไปที่นที่นครม ด, ดีน่าเนี่ยนะมีสองบ้านอพยพยไปตนเยอะแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งไม่ได้ไปลูกมาให้ไปพยาบอกอย่าไปอะไรบ้างอยู่ที่มั ก, กานี่ยแหละพอต่อมาอีกสามสี่ปีต่อมาก็เอาล็อก็เปิดใจนะนะบ้านหลังนี้ก็ นะพอไปถึงนครมาดีนะครับคนที่ล่วงหน้าไปก่อนสามปีสี่ปีเนี่ยความรู้มันเพิ่มนะเขาเข้าใจกุรานเพิ่มขึ้นอิมานของเขาเพิ่มขึ้นหลังจากคุยปั๊บเน่รู้เลยคนนี้อิมัลไปไกลแล้วเนี่ยมารยาทงามรอความอยู่มักค่าเนี่ยพ่อก็บเราะ่ะเดี๋ยวนี้เราในแย่ลงมนันนำหน้าแล้วกลับมาบ้านมาด่าเมียกด่าลูกเองสองคนเนี่ย เป็นเหตุดึงพ่อไว้ใช่ไหมไม่ให้ไปอยู่ที่นครมาดินนะไม่ให้ฮิจโรอแต่เป็นงานจริงหน่อยเขาน้ามาฉันก็ทำความดีอย่างอื่นล่วงหน้ามากกับพ่อั้งเยอะแยะด่าลูกกับด่าเมียอลัลลอประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาให้ท่านน บ, บีพวกเราเรารู้ใช่ั้ย ว่อินตาฟูว่ตัศฟูว่ตัฟฟิรูฟอินัลลอฮฟูรุรมไปบอกพ่อที่ก็ดัลูกด่าเมียอยู่เนี่ยให้ไปบอกถ้าหากให้อภัยนี่เรื่องครอบครัวนะไอ้พิษมันมีทุกการทุกคนแหละความรู้สามารถเรียนทางก็ได้ใช่านได้ไม่าามต้องไปไม่ต้องไปเครียดว่าอินตาฟูถ้าท่านให้อภัยวตฟวตฟฟิรูวตั ว่อินตะฟูว่าัศฟ้าูว่าตัพูดสมครั้งนะให้อภัยไม่เอาเรื่องมองข้ามฟะอินอัลลอฮกอฟูรุลหิมแทฮิอินอัลลอฮฺพูดสงไว้ซึ่งความเมตตาและให้อภัยตลอดเวลาฉะนั้นอย่าไปด่าลูกอย่าไปอย่าไปด่าภรรยาเลยเพราะความรู้นะั้นสามารถเรียนทันกันได้ไปที่หลังก็ได้เดี๋ยวก็ไปเรียนกันกไปเรียนไปเรีนยังครับไม่ให้ทะเลาะ ก, กันให้อยู่แบบเลยนะแบบนี่แหละ เป็นพี่น้องกันสอนกันไปขันศาสนาอิสลามเนี่ยหยุดสอนได้ไหมล่ะได้ไหมหยุดสอนไม่ได้ <c oughs> อเอาล่ะบางทีเรานั่งสอนศาสนาเห็นนะมีคนมาถามปัญหาเรื่องนมาดนมาดเราพูดกันาตั้งกี่ปีมาแล้วตลอดทางชีวิตต้องไย้จะมีคนปัญหาวัานนมาดทำยังไงขอดธอานตอนไหนดีเราก็นั่งนึกอยู่นึก่าอ่านคุรอาน ล, ล้วใ ช, ใช่ฉะนั้นอย่าอย่าไปโมโหใครเลย ลูกถามโน่นถามนี่มันตัวอเอยอะไปมั้งโหพาะลูกก็ไม่รู้เราเองก็รู้ร่วมมันคงจะก็ลืมไปแล้วใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นตน้นตกลงว่าเรื่องครอบครัวให้อภัยนะมีปัญหาเดือด ร, ร้อนยกขอืา่าขอัลลอฮ์เจ้าเบอรใจเปอรใจเบอรใจเชือรองเท้าขาดเห็นอย่างครับน บ, บีสั่งให้ขอจะไครขอจอากอัลลอฮ์เพื่อต้องการจะให้มุสลิมเนี่ยนอบ น, อบนอบ้อมถ่อมต้นต่ออลัลลอฮ์อลัอลอลอฮ์พรอัครัด มาต่อมาครับอายาที่เท่าไรสามสิบห้าโกลข้กบตุลลงว่าอายาที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยอะไรนะคนรวยจะขวางอิสลามใช่หรือไม่ใช่สังเกตสังเกตดู <pickle ús culo> ต่อมาครับว่กอลูนับนุอัคซาร์อัมวาลอนว่าอัลาดะว่มานับนุบิมูอัลมูอัลอะไร มุ عذبين وقالوا نحن أكثر أمولا وأولادا وما نحن بمعذبين ا, أ ل ح ล د لله รวยอย่างเดียวไม่พอดันคุยอีก <c oughs> ความจริงนะคนมีเงินเยอะๆน่ะมันต้องระกาศใช่ไหมระกาศสดอก็ ฮัดีะวาก้ฟดูแลคนยากคนจนนี่มาคุยวากอลูแลพวกเขายังกล่าวยังคุยนะนะนะหนูพวกเราเนี่ยนะอักรารูมีมากกว่ามีมากกว่าพวกคุณอะพวกคุณเป็นมุสลิมัไม่เห็นรวยอะยังอยู่บ้านเล็กๆอยู่เลยอะ เราเดินมาส่เรางอกงอกงอกเขามองภาพโซกปลกในคนรวยคุยใช่ไหมมันทำลายอิสลามใช่ไหมเพราะมันด่าอีกนะด่าว่างไงนะนะหนุอักซาโรเรานี่มีมากกว่าคุณมีอะไรครับอามววลมีทรัพย์สินมากกว่ายังไม่พอครับว่าเอาลาดานันมีลูกห ล, ล, ลานลูกหลานรวมมาถึงพวกเรามีพวก ผมไปผู้เกตผมได้ความรู้มาอย่างผู้เลื่นหรือกลุ่มเราเนี่ยนะคนที่เป็นประธ า, านจังหวัดเนี่ยประธานจังหวัดเนี่ยเขาสี่ปีเปลี่ยนทีใช่ไหมเลือกตั้งทีเขาต้องเลี้ยงหลูกน้องเอาไว้ลูกน้องแบบแบบยกมือแ บ, บสภานะเขายกมืออย่างเดียวเขาก็เลี่ยมดูปูเสือ ไี่อิมามเล่าให้ฟังแล้วก็ได้ขอคิดเยอะอแต่ถ้าอิม ด, ด, ดูอิมามตามสซเราเนี่อิมามที่มันเงินก็เยอะใช่ไหมไเรียกดูคะแนนเนี่ยเก็บคะแนนว่าไว้เก็ บ, นนกบมีปัญหาอิมามเอาไว้แสนสองแสนนะป่ะวันเลือกตั้งอืมเนี่ยบาปหมดเลยทำทำไมเดี๋ยคุยตรงนี้นะ เรื่องถึงเรื่องถึงภูเก็ตแล้วตอนนี้เอต่อมาครับว่ากอลูนาห์นูอักซาลอัมวาลาอาลดาพวกคนกาเฟตยังกล่าวอีกว่าพวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลานมากกว่าพวกคุณแล้วจะตกนรกได้ยังไง เขาเข้าใจว่าอยู่บนดุนยาฉันอยู่มีเงินฉันมีชื่อเสียงฉันสง่างามทุกคนให้เกียรติฉันหมดไปในวันกิยมะฉันก็ถูกยกย่องจากอัลลอฮ์เหมือนกันถ้ามีอัลลอฮ์วามานุบมัะบีและพวกเราจะไม่ถูกลงโทษสาเหตุที่พูดคำนี้ที่ไม่ถูกลงโทษเรามีเงินสอง เรามีพวกพวกมันช่วยได้ใช่ไม่ใช่ชีวิตบนดุนยาใบนี้ช่วยได้นะเงินช่วยได้พวกช่วยได้แต่อัลลอฮ์เล่าจากอะกาพีร่าอ่านพา น, นาบีว่าในวันอาคิร้อนอะไรช่วยได้ไม่ให้ตัวนรกอีมานกับอามันที่ซ้อและเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีอยู่บนดุนยากับอะกาพีร์มันต่างกันนะอยู่บนดุนยานี่เงินช่วยได้แล้วก็พวกช่วยได้ แต่ในวันอาคริรอไม่มีเส้นวันนั้นเน่เส้นอย่างเดียวเส้นอีมานกับอามันสิซอและประคองคุณไม่ให้ตกนรกได้แต่พูดว่าไงนะว่ามานะห์นุบีมูอาจาบีแล้วจะไม่ถูกลงโทษก็เลยยืนดันดันทุรังไม่ยอมเรียนอิสลามไม่ยอมตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ก็เจอแน่ๆเห็นไหมโอ้ยนั่นคิดอะไรคิดผิด คิดผิดทำผิดพูดผิดหมดเลยนะ่ฉะฉนั้นถ้าไม่อ่านกุรานนี่นะเนอรอเนี่ยถึงนบีเป็นห่วงนบีเห็นภาพอาัลลอฮ์แล้วเห็นใครบ้างเพราะกุรานอธิบายหมดฉั้นเลยเป็นห่วงเนี่ยไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งตอนตายตายแบบไม่รู้จัก อ, อัลลอฮ์ฉันไม่อยากผมไม่อยากพบยิ่งอุมมะของฉันเนี่ยอยากให้ไปสวรรค์หมด อ, อัอลลอฮ์ตนลงว่า คนรวยนะถ้าคิดถ้าคิดผิดนะพลาดเลยนะเราคุยว่าไงนะฉันมีเงินมากกว่ามีพวกมากกว่าเอาไปโรคดุลยาเอาไปใช้อาครารได้ปะ่ะไม่ได้มันคนละโลกนะอัลลอฮบิลละฮิมินซาลลกอัลลอฮฺอักลอบอกจนลงว่าอามันทิซอและ ก, กับอีมานสองอย่างนั้นแหละเป็นตัวช่วยไม่ให้กตกนรกของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาปลอดภัยตั้งแต่ในในน ก, กูโบแล้ว รอเอาตอมาอายาเอาหมดแล้วนี่อายาสุดท้ายยาสากุลอินนารับบียาบสุดุริสกัลิไมยาเชวายักดีรูหรืดิกรอสุภูนใช่ไหวายักดร ولكن ต ك ث ال <Allahu Akbar. S 1> ر الناس لا يعلمون ยล ل มุนอัลลอฮ ر อัก ب าร์กลินน ز ق ั م บี و า ق د ูตุริษ ك ลิไม ر ا ل ن ا ุยาคดิร์ว <Allah> อัลลอฮฺอักรอาย่นี้มามาเฉลยมาแก้ปัญหาที่เองคิดผิดคิดไม่คิดตามกุลอานนี่กุลมุฮัมมัดเออจงตอบคนกาเฟทที่พูดว่าฉันมีเงินฉันมีพวกนะ่ะฉันจะไม่ถูกลงโทษนะ่ะเองคิดผิดเหมือนกันจะบอกว่าเงินที่อัลลอฮให้บนดุลยานี้ให้เพื่อการทดสอบ อเ่อะยังไม่จะรักคุณนะฉะนั้นให้ฟาโรห์มีอำนาจให้เพื่อการทดสอบให้กอรูนมีเงินเพื่อเป็นการทดสอบในปัจจุบันนี้คนใครที่มีเงินมีทองเยอะๆ mm hmm. อร่อยให้ประการทดสอบนะเองอยู่ในห้องสอบอยู่แล้วเนี่ยจะดูเองอะ่ะมีเงินจ า, า, า, าสนสกัดเปล่าสดก็เปล่าหดีถิยาเปล่าวาก้าเปล่าแล้วมีเงินไปทำายอิสลามโอ้โหคิดเพชรคิดไม้ อินนลบีแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันยาบสุตุบาสาโตแปลว่าแผ่ให้อภัยเท่าไรก็เอาไปเลย <c oughs> แผ่ให้อย่างกว้างขวางอาลอบาสาโตยาบสุตุแปลว่าแผ่ให้ขยายให้ให้อย่างมากมายฟาโรมาก่อนนี่อาชีพดูแลกูโบนะ มันดูแลกูโบยังไงหาเงินเข้าได้อะแล้วก็ไม่เคยเป็นหวัดนะอาไม่มีนะฟารโรห์ะอะอัลลอ์ให้เยอะมากอนะแต่กลางอนะใช่ไหมอย่าเอาอนที่สายฟารโรมาใช้นะยาย า, อ, ยาอินนาร บ, บีแท้จริงพระผู้อภิบาลของจารพูดถึงริสกีนะยาบสรุตุอลัลลอฮ์แพ่ให้ใคร ริสกรีริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยให้ใครก็ได้รไมัยยาชะแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ส่งประสงค์ยังไม่ได้ตอบแทนนะนี่เป็นการให้บวกการทดสอบอืมทดเอา้าเอาเอาไปให้ความรู้มาเยอะแยะอไปทําอะไรอไปนอนกอดอัลลอฮ์อักบาร์ทําไมไม่สอนละ่ะนี่ก็จริงพวกเราด้วยนะเรียนศาสนามาจาังเยอะอัลลอฮ์อักบารไม่สอนใครเลยเป็นว่า เราลองว่าความรู้รหรือริสกีอย่าลืมนะริสกีเนี่ยไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะความสุขสบายเป็นริสกีมีภรรยาอยู่ที่บ้านเป็นริสกีลูกได้มาเป็นริสกีมีบ้านหนึ่งหลังอะ่ะเราก็มีที่ดินอยู่ายห้าสิบตารางร้อยตารางเป็นริสกี้ออลองให้อะ่ะเพื่อเป็นการทดสอบหมดเลยอะ่ะเอ็งอยู่อย่างไงอะ่ะนี่ริสกีของออลเต็มบ้านเลยเนี่ยขอบคุณออลยอังต้องนึกอ ะกะปุกเป่าเยอะยิงเปล่าวต้องทำตัวหนาเอาต่อมาครับวัยยักษ์ก็ดีรู้ไม่ว่าให้ผู้ใดคับแคบก็ได้ให้แบบน้อยๆเอาสังเกตนะคนกาเฟ่ที่อยู่บนโลกอนุญาตเป็ น, นริสกีเยอะนะใช่ไหมแล้วมุสลิมกับสวนหญ่ก็มีแต่สวนหญ่จะอยากดกีสังเกตดูสัพุรานอัลลอฮ์แผ่ให้ก่อนให้รวยก่อนแล้วก็จนที่หลังนะ ยากปรสตัวริสก็แล้วก็ไหวยากดีรู้ไมดูศัพท์เลยรวยรจนมันจะพูดจนก่อนรวยนะรวยก่อนนะอ้าวคนรวยในยสมัยนาบีบีมีไหม ม, มีชื่ออะไรอับดุลระมานบินอัลเห็นยังแล้วเขาเขาทำตัวยังไงเลี้ยงครอบครัวนาบีหมดเลยแล้วบางครั้งนี่ไปอยู่ต่างต่างประเทศเอาอูดมากี่ร้อยอ่ะเจ็ดแปดร้อยตัวนะ่ะ สินค้าอยู่บนหลังโอเต็มหมดเลยพวกพ่อค้าชาวมากกะโอชามาดิน่าสิโอนันธุรกิจมาใหญ่แล้วไปต่อราคากันหห้าเอร์เซ็นมีสิบมีสิบห้ามีกันบอกเอ้ยน้อยไปเขาบอกไม่มีแหละยี่สิบมันสูงสุดคนที่ให้มากกว่านี้มีอัลลอฮอัลลอะเอามาบริจาคหัวใจเป็นยังไงครับสางงามเฮ้งให้ ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยถ้าเชื่ออัลลอ์นะถ้ากลัวๆอย่าไปอย่าไปให้เอ็องนั่งสภาพนี้แหละ <c oughs> อ่ะต่อมาครับก <c oughs> ุลอินรับบียาบสุตุริสกอลิมมยาชาอวยยาดิรจุงกาวเถิดมุฮัมมัดสอนครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่อัลลอ์ให้บนโลกใบนี้ อ้ น, นี้ให้เพื่อการทดสอบนะอ น, นี่ยังไม่ใช่รางวัลนะรางวัลต้องรอตายก่อนนะแท้จริงพระผู้อริบาลของฉันทรงแผ่ให้ริสกีอย่างกว้างขวางแกผู้ที่เอาลอทรงประสงค์ให้ไหมเอาลอเอาลอรประสงค์ใครเอาให้ทักเซนนะ ร, รวยก็ทักเซนให้ฟาโรรวยก็ฟาโร่ ให้เปื่การทดสอบตั้งหากแล้วไม่ได้ให้เพื่อให้รางวัลยังอย่างรางวัลยังไม่ได้ให้เลยนะวายักษัีรู้ล้วก็ให้แบบน้อยๆพอมีพอกินต้องขอยืมคนอืนเด็เอาลอเป็นการทดสอบทั้งหมดเห็นไ้มต่อมาครับวาลากินอักซรอนแต่มนุษย์ส่วนมากเห็นไหมครับลายะลามูนไม่เข้าใจเรื่องนี้ ไม่เข้าใจไม่รู้รู้เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันที่ทําไม่เรียนอิสลามจะรู้ไหมยังเข้าใจผิดคิดว่าคนรวยอัลลอฮ์รักใครบอกถ้าอัลลอฮ์รักก็รู้ตงไปสวรรค์ใช่ไหมนี่จะไม่ถูกแผ่นดินสูบอะไรทําไมฟาโร่ต้องต้มน้ำตาลและไปนรกด้วยเพราะมีอํานาจใช่อํานาจผิด ท่านชีวิตของนบีเนี่ยดูท่านอบูบากไท่านไซนาอุมัรดรอติยอลลอฮอันดูปกครองมดินะสบสองปีวันตายสรุปแล้วมีทรัพย์สินอยู่สรายการหนึ่งมีบ้านทำด้วยดิน <c oughs> สองมีเสื้อสี่ตัวให้ตัวมีรอยปะสา ม, มีแส้อยู่อันหนึ่งไม่ใช่ไล่ตีคนนะเคาะประตูให้ไปนะมาซุบุแล้วก็มี ไม่ไม่ใช่มีลามีลออ่ออยู่หนึ่งตัวไม่ใช่ม้านะสัตว์ประเภทที่ปรตำที่สุดน้ามีหนึ่งตัวเดินตรวจชาวบา้าทรัพย์สินเป็นคอลิฟ้ามากี่ปีสิบกว่าปีมีทรัพย์สินอยู่สี่รายการทำไมวางตัวอย่างนั้นล่ะเพราะเขากลัวอัลลอไปไหนนอนคู่กับนบีที่กูบวมอดีนาเห็นย่างรครับรอฟื้นคืนชีนตอนนี้อยู่ใ น, นสวรรค์แล้ว วิญญาณอยู่ในสวรรค์แไม่เอาค่ะเท่านั้นเลยนะพี่น้องฉะนั้นอย่ามองรีสกีเป็นตัวหลักให้มองอีมานเป็นตัวหลักกับอัลมันิโซเลตเป็นตัวหลักเอาศาสนานำหน้าอยู่ที่บ้านเอาศาสนานำหน้าเอาอิมานนำหน้าอตัตตะวานนำหน้าอียะซ า, านนำหน้าไอคลาสตอมหน้าสุดหน้านาบีนนำหน้าเอากุนอานให้มีเสียงกุนอานในบ้านสม่ำเสมอปกป้องชายตอนได้ไหม Oh, j i n saya to, m e n d a y i n s i a r a Quran, m e n d i l a n g m a y a tak ada di rumah ini. Hanya suara Azan, suara Namaat, suara baca Quran. Yang ini betul. Barulah Subhanallahumma wa bihamdihi shalallahu alaihi wasallam. Astagfirka wa tu baiklah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Kamu di rumah.